เราพยายามทำจิตที่ไม่สงบให้สงบมาแล้วสองสามวันจิตของเรามันไม่สงบมันฟุ้งซ่านวันไหวไปตามอารมณ์ต่างๆเรียกว่าตกอยู่ใต้ความ เป็นไปของนิวรณมีความง่วงเหงาหานอนเป็นต้นนอนมาทั้งคืนแต่ก็ยังไม่หายง่วงถ้าเรียกว่านิวรณนิวรนคือเครื่องกลางกันไม่ให้บรรลุความดีได้มันเกิดได้กับทุกคน ที่ยังมีกิเลสอยู่นิวรณ น, นี่ก็ทำอาการให้ง่วงเหงาหาวนอนนิวรณมีอยู่ห้าอย่างกามฉันทะนิวนออรณกามน่ก็เป็นเครื่องกลางกั้นความไม่สงบแห่งใจให้ใจฟุ้งซ่านให้ใจดิ้นรน ก็สับก็ใส่เรารู้แล้วนี่วอร์นนี่เป็นเครื่องไม่ดีเราก็มาดูความเป็นไปของใจของเราอย่าไปสนใจชื่ อ, อมันเถอะใจของเราขณะนี้ มีอารมณ์เป็นหนึ่งไว้มีอารมณ์เป็นอันเดียวไหมไม่คิดนึกฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆนั่นแหละถ้าใจเรามีอารมณ์เดียวขอเอาใจนั้นมาดูมาพิจารณาที่ตัวเรา ตัวเราประกอบด้วยขันห้ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันให้เราเพิจารวาตัวเรานี่ตกอยู่ใต้อำนาจของขัน มีส่วนประกอบอยู่เรียกว่ารูปขันคือตัวตนของเรานี่แหละตัวเรานี่แหละเรียกว่ารูปขันสังขารร่างกายธาตุสี่ของเราเนี่เป็นรูปเรียกว่ารูปขันให้พิจานาลงไปรูปขันนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ ดินน้ำไฟลมดินก็คือเนื้อหนังมังสาของเราทั้งหมดนี่แหละรวมทั้งกระดูกด้วยนี่ก็รูปขันมีตัวมีตนมีร่างกายถ้ารูปขันนี่ ไม่แตกสลายเราก็ยังเป็นไปได้อยู่ยังทีมีชีวิตต่อไปได้อีกแต่ถ้ารูปขันแตกสลายเราต้องตายดูง่ายแค่นี้แหละถ้ารูปขันนี้แตกสลายเช่นอย่างหัวใจมันที่การ เลือดไปเลี้ยงหัวใจไปทันก็ตายให้พิจารณาลงไปมันเป็นของไม่เที่ยงรูปขันเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกคนนี่แหละไม่มีใครหนีพ้นกายนี้จะต้องแตกสลายในวันใดวันหนึ่ง ร่างกายของเราเนี่ยต้องแตกสลายห้าสิบไม่เป็นไรหกสิบไม่เป็นไรเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบร้อยปีตายแตกสลายตายไปอยู่เกินร้อยปีก็ไม่มากมีน้อยโดยมากยังไม่ถึงร้อยปีก็จากโลกนี้ไปแล้ว รูปกัรอั น, นี้น่าสรุสังเวชใจจริงๆนะเกิดมาจากสัตว์ตัวเล็กนิดเดียวแก่ตัวขึ้นจเจริญขึ้นเพราะจากคันมันดามามีนมมีน้ำมีอาหารให้กินก็จเจริญเติบใหญ่ขึ้นมาแต่ในที่สุดก็สมุนไปเพื่อความแตกสลายเหมือนกันหมด คนที่นี้ความตายได้ไม่มีอย่าไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ในเหวในถ้ในภูในเขาหรือในป่าในโดงที่ไหนก็ตามแต่เถอหรือไปในทะเลมหาสมุทรหรือนั่งเครื่องบินไปถ้ามันตกก็แตกสลายมดทุกคนมันอย่างที่เป็นข่าวอยู่ คนสองร้อยคนในเครื่องบินตกในน้ำทะเลตายหมดทุกคนเลยรูปขันแตกสลายแล้วหนีความกิงอันนี้ไม่พ้นสักคนเดียวจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเหาะอยู่บนฟ้าเหมือนนกนีย ก็ตายเหมือนกันไปอยู่ในภูในเขาก็ตายเหมือนกันไปอยู่ในป่าในดงก็ตายเหมือนกันไปอยู่ในทะเลมหาสมุทรก็ตายเหมือนกันพูดง่ายๆที่ตายนี่มีอยู่ทุกที่ทุกแห่งถ้ามีเกิดขึ้นต้องมีตั้งอยู่ต้องมีดับไป ที่นาเขามาที่ตัวของเราเนี่ยเพราตัวของเราเป็นอย่างนั้นแหละที่ไม่ตายไม่มีอันนี้ว่ารูปขันคือเราเห็นตัวตนของเราอยู่นี่แหละแต่ในที่สุดก็จะต้องแตกสลายวันใดวันหนึ่งให้รีบทําความดีให้มากเพราะเรายังไม่สิ้นอาสวะกิเลสเราจะต้องเกิดอีกอยู่ เราต้องรีบทำคุณงามความดีไว้อย่าประมาทว่าเราจะมีอายุร้อยปีจากนี้ไปถึงร้อยปีเดี๋ไม่รู้ว่าวันไหนแหละเพราะนั้นอย่าประมาทอย่าประมาทในการให้ทานอย่าประมาทในการรักษาศีลอย่าประมาทในการบำเพ็ญคุณงามความดีนั่งสมาธิวิปัสสนามักผล น, นิพพานให้มันเกิดขึ้น ให้มันมีขึ้นในตัวของเราฐานก็ให้มันมีศีลก็ให้มันมีสมาธิปัสนานก็ให้มันมีเรียกว่าเตรียมตัวก่อนความจริงเตรียมตัวไว้ก่อนความจริงจะมาถึงนี่แหละเวทนาขันก็เหมือนกันเวทนาคือรับรู้ รับรู้อารมณ์ต่างๆทั้งดีและไม่ดีสุขเวทนาทุกเวทนาอทุกขมสุขเวทนาไม่ดีดีก็ตามไม่ดีก็ตามหรือว่าทั้งดีทั้งไม่ดีก็ตามพอไปตามอำนาจของอริจังทุกขังานาตาโมต อันนี้ได้ว่านามขันสัญญาคือความจำได้หมายรู้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสนั่นแหละสังขารขันความคิดนึกปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขาร คือคิดเรื่องผูกแต่งคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องโน้นให้หยุดคิดไม่ได้ต้องคิดเราก็เอาความคิดอันนั้นมาคิดอยู่ที่พุทโธหรือว่าอยู่ลมหายใจเข้าออกเอามาคิดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเอามาคิดในตัวตนของเรามันเกิดกันยังไงมันตั้งอยู่ยังไงมันตายไปยังไง วิญญาณขันคือวิญญาณวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกวิญญาณทางรินวิญญาณทางกายวิญญาณทางใจรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้โหดถะพระรู้ธรมาลมโดยใจมันต้องวางหมด ถ้ามันรู้แล้วมันก็ปล่อยวางมันไม่ยึดถือไว้มันมีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างมันตกอยู่ใต้กดแห่งความจริงคืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความทนดูไม่ได้อนัตตา ความไม่มีตัวไม่มีตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่านี่ของเราอันนี้ของเราสิ่งนี้และสิ่งนี้เป็นของเราตาของเราหูของเราจมูกของเราปากของเรามันเป็นของเราอยู่ตามสมมติโลกแต่มันไม่เป็นของเราตามบัญญัติธรรมของพุทธเจ้า พรเจ้าว่าตาก็ไม่เที่ยงหูก็ไม่เที่ยงจมูกก็ไม่เที่ยงปากก็ไม่เที่ยงตัวตนของเราก็ไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันเป็นอะไรมันก็เป็นทุกข์เมื่อมันเป็นทุกข์ก็มันก็เป็นอนัตตาคือมันทนอยู่ไม่ได้แล้วมันก็เป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือออกมาเป็นของเราได้สักอย่าง เราอาศัยมันทำความดีอาศัยมันทำคงมชั่วเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาลงไปที่ตัวเราเตัวเราเนี่ยไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีใครที่อยู่ในโลกนี้ได้พันปีสักคนในยุคนี้สมัยนี้อย่ามากก็ร้อยปีคนที่ถึงร้อยปีก็มีน้อย มีน้อยมากตัวมากเจ็ดสี่แปดสิบก็ไปแล้วถ้าเรามีดีอยู่ไปที่ไหนก็ควรไปไปสว์ไปผูมโรกไปนิพพานเรามีความดีเราได้ไปคนที่มีฐานไหนคนที่รักษาศีลอยคนที่ภาวนาไว้ไปมันก็ไม่ไปทางต่ำ มันไปสูงถามีมากมีผลยิ่งดีขึ้นไปอีกหรือว่าแน่นอนไม่ไปทุกขติเลยถ้าใครปฏิบัติผ่านเวทศรบันมันไม่ไปสู่อบายยาภูมิมาเกิดก็ไม่มากอย่างช้าเกียชาติท่านเองที่มาเกิดในมนุษย์นี่ก็ไม่โตต่ำ พอมีคุณธรรมรับรองแล้วมาเกิดก็ดีขึ้นมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมฟังธรรมจิตก็หลุดพ้นจากกองทุกได้แต่ถ้าไม่มีดีเนี่ยความดีเราไม่ได้ทำเนี่ยถือว่าเราผิดฝังมากผิดฝังที่สุดตายไปไม่รู้จะไปทางไหน ไม่รู้จักสวรรค์ไม่รู้จักพรหมโลกไม่รู้จักนิพพานเพราะไม่ได้ปฏิบัติไว้เนี่ยไม่ได้ฟังไว้ไม่ปฏิบัติไว้เลยไม่รู้ว่าทางดีเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงก็ไม่รู้พอตายแล้วก็มืดมนไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะไปทางนรก ไม่รู้จะไปทางเปลีดไม่รู้จะไปทางอสุรากายไม่รูจ้จะไปทางสัตดิสานแล้วแต่บุญกรรมที่ทำไว้นั่นเนี่ยระบาปกรรมที่ทำไว้นั่นเนจะจำแนกแจกแจงให้เราไปสู่ที่ไหนให้ไปเป็นอะไรให้เป็นเทพเทวดาหรือให้เป็นสัตว์นรกหรือสัตดิสาน หรืออบายภูมิต่างๆนี่แหละ้าไม่มีความดีนะมันไม่แน่นอนแหละ้าไม่ได้ทำความดีไวนะ้มันไม่แน่นอนมันจะไปที่ไหนมันก็แล้วแต่กรรมจะซักผ่าไปจะดึงไปจะดันไปบังคับไปคือไม่มีดีในตัวนะ ไม่ได้ทําความดีไว้มันเลยไม่รู้จักแต่ถ้าในมาปฏิบรรัติทำมีมากไมมีผลเกิดขึ้นมันก็มั่นใจมั่นใจแล้วในตัวเราว่าเราไม่ตกต่ํำแล้วเราจะมาเกิดก็ไม่เกินกียชาติละบางทีก็ไม่ต้องว่าเกิดอีกเลยปฏิบัติไปปฏิบัติไปไปบรรลุมรควุผลชั้นสูงก็ไม่ต้องมาเกิด ในว่าจะสงสารอันีหมดสภาวะไปถึงความเป็นผู้รู้ทั่วถึงปล่อยวางในมดไม่ยึดไม่ถือในสำคัญนั่นหมายในตัวตนนันี้วางในหมดเพิกถอนกิเลสทั้งหมดออกได้จากใจเราอะไรอะไรก็มาทำความทุกข์ให้เราไม่ได้พราเราถึงสุขอภัยบูร์แล้ว นี่แหละขอให้พี่นาให้ดีที่นาเข้ามาที่ตัวเรานี่แหละตัวเราตกใต้กฎแห่งความจริงให้ดูเข้าไปดูเข้าไปอันนี้หนังอันนี้เนื้ออันนี้กระดูกมันก็มีเท่านี้แหละหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตาปอดใสใ่ใส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า ม, มีเท่าเนี้ย น้ำดีน้ำเสด็จน้ำเลือดน้ำเหลือง น, น้ำหมกน้ำไหลน้ำมูดเหนยวนีเท่าเนี้ให้พิจารณาพิจารณาเข้ามาที่ตัวเราว่าเรามีส่วนประกอบเพียงเท่านี้แหละมีลมมีไฟลมว่พัดขึ้นเบื้องสูงลมพัดลมเบื้องต่ำลมในท้องลมในไสร ลมห้พัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็มีอยู่เท่านี้ไม่มีลมสิบนาทีหรือยี่สิบนาทีก็ตายแล้วมันเทวดาแหละถ้ารู้สึกว่าไม่มีลมหายใจก็ดัดแล้วก็จุดเดียวอยู่ไม่ได้ลมมาเกิดในมนุษย์ เกิดในตระกูลดีบ้างเกิดในตระกูลไม่ดีบ้างแล้วแต่แล้วแต่บุญแต่กรรมที่เราทำไว้ให้พี่นาเข้ามาที่ตัวเรามีส่วนประกอบดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเนี่จเจริญขึ้นหรือต่ำลงก็ด้วยอำนาจแห่งความดีที่เรามีอยู่ เรามีอยู่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันแตกสลายไปน้ำเหมือนน้ำเนี่ยอยู่บนใบบัวนี่ต้องแสงพระอาทิตย์ถ้าเหือดแห้งหายไปชีวิตของคนไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอน อายุเกณฑ์กำหนดร้อยปีก็จริงแต่ว่าไม่แน่นอนถึงป่านนั้นทุกคนจะถึงร้อยปีหมดอะไรอย่างนี้แล้วก็ตายพร้อมกันหมดอย่างนี้ไม่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกสลายไปนี่หมายถึงว่าชีวิตปกติถ้าชีวิตไม่ปกติชะตั้งเครื่องบินไปคนสองร้อยคนตายหมดเครื่องบินตกทะเล ตายหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยขเยขาคงเคยทำกรรมไม่ดีร่วมกันมาแต่ท่านเก่าพบก่อนก็ามาเจอเขามัหมุนเข้ามาถึงกันก็ต้องตายไปเราจรึงจำเป็นที่จะต้องทำคุณงามความดีเอาไว้ให้มากทำไว้ให้มาก ทานก็ทำให้มากทำให้เต็มที่เต็มกำลังความสามารถของเราให้ตั้งใจปานนั้นมันถึงจะได้ลีรออยู่ไม่ได้ต้องรีบทำคุณงามความดีต้องรีบสั่งสมคุณงามความดีทานไว้ ให้มันมากสีลก็รักษาให้รักษาไปสีลห้าสิลแปดสิลสิบสิสองรอยยี่สิบเจ็ดให้รักษาให้ดีให้รักษาสีลทุกข้อเนะ่ให้ดีเราทำให้มันเต็ม อย่าให้มันโบกพ้องกินเหล้ามเมาเบียศีลก็ขาดคนไม่มีศีลตายไปแล้วตกต่ำต้องรักษาศีลให้ดีอย่า ก, กินเหล้าอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์ อย่าพปราพืชผิดนิสาจ า, า์อย่าโกหกหลอกลวงต้มตุนคนอื่นอย่าดื่มสุราเมลัยศีลหานี้รักษาให้มันดีมันเป็นสมบัติของมนุษย์เป็นคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ถ้าใครรักษาศีลห้าได้ดีอย่ามาเกิดเป็นมนุษย์กี่พบ ก, กี่ชาติก็เกิดได้ เกิดมาก็เป็นคนสวยสุดงดงามไม่พิกลพิการหูหนกตาบอดมีปากแ a n ่งปากบินเพราะเรามีศีลบริสุทธิ์เราเลยไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรารักษาศีลในบริสุทธิ์เป็นไปอะไรทุกอย่างเยเป็นคนใบ้คนบอดคนหนกคนอะไรต่ออะไรล้าอย่าง เป็นไปแล้วเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างหูหนวกข้างหนึ่งหูหนวกสองข้างตาบอดข้างหนึ่งตาบอดสองข้างพีกลพีการทำไมมันไม่ครบสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะาเรารักษาศีลไม่เต็มเราไม่รักษาศีลศีลเราไม่บริสุทธ มันก็เกิดเป็นรายได้หมดทั้งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านถึงให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ศีลห้าให้มันเป็นธรรมะรักษาใจเป็นสิ่งที่รักษาใจของเราศีลห้านะถ้าเรามีแล้วเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์กี่ครั้งก็มาได้ เกิดเป็นเทพเทวดากไ็ได้เพราะเรามีศีลเช่นเมื่อครั้งหนึ่งพวกโจรห้าร้อยคนไปพ่นหมู่บ้านชาวบ้านลุกขึ้นพร้อมใจกันต่อสู้กับโจรโจรสู้ไม่ไหวหนีไปเข้าไปในป่า พอดีในป่านไปก็ไปเจอพระกำลังปฏิบัติธรรมอยู่พระกำลังนั่งสมาธิอยู่ขอให้ท่านเป็นดีพึ่งพระธีรละก็บอกว่าเออที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีหรอกในขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้น ะ, จะใจทานก็นทำไม่ได้มีได้รักษาศีล ขอมาสมทานศีลพร้อมกันทั้งหมดทุกคนก็สมาทานศีลห้าประการรักษาศีลหา้าพอดีพวกชาวบ้านติดตามเข้ามามาเจอพอดีเจอเขาฆ่าทั้งหมดห้าร้อยคนฆ่าตายหมดเหลือแต่พระที่ไม่ถูกฆ่าโน่นนั้นฆ่าตายหมด ตายแล้วไปสู่สุคติบททุกคนธรรมราชนมันไม่ได้ไปสู่สุคติหรอกมันต้องไปนรกมันทำมาหากินไม่ถูกทางแต่นี่ไปสวัสด์หมดเลยเพราะอะไรเพราะอำนาจของสีนั่ น, นี่ยที่เรารักษาดันเนีไปสู่สุคติสวัสค์หมดมาถึงสมัยของพระพุทธเจ้าของเราก็ลงมาเกิด เป็นลูกหัวหน้าโจรก็เป็นลูกหัวหน้าหมู่บ้านโจรที่เหลือก็ไปเกิดกับบริวารของหัวหน้าหมู่บ้านหมู่บ้านชาวประมงต่อมาเป็นเด็กเป็นหนุม่มก็ทามาหากินไปด้วยกันมาด้วยกันสร้างด้วยกันทําด้วยกัน ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติธรรมในที่สุดก็ได้บวชปฏิบัติธรรมสำเร็จเป็นพระรหันหมดทุกคนนา่น่ไหมอำนาจของศีลสีเลน้สุ ข, ขติยันติศีล น, นี่เป็นเหตุให้ได้ไปสวรรค์สีเล น, นาโพขสัมปาศีลให้เกิดมีสัพมกม มีโพคะสมบัติมากมีเงินมีทองมากมากถั่วเพราะรักษาความดีได้ความดีมันเกิดกับเราถ้าไม่รักษาไม่เป็นอย่างนั้นต้องไปไหมในโลกเล ย, ยเพียงรักษาสินช่วยแป๊บเดียวเท่านั้นเองไม่ได้มากมายไม่ได้ตลอดทั้งวันเลย พอเราสานเสีดแล้วก็ถูกฆ่าตายแคบเดียวก็ถูกฆ่าตายตายแล้วก็ไม่ถูกต่ำข้อสำคัญมันต้องเป็นอย่างนี้เราต้องรักษาความดีของเราไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่แหละให้พิจนาให้ดี ว่าเรานี้เกิดมาในโอกาสดีได้พบพระพุทธศาสนาได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมก็มีความสุขได้มักได้ผลก็ยิ่งมีความสุข ก, กว่านั้นอีก มรรคผลมันก็ในพ้นสมัยไม่ใช่ว่าหมดแล้วพระพุทธเจ้าบลินีพานแล้วมรรคผลไม่มีไม่ใช่งั้นตราบใดทําวินัยยังมีอยู่คำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากพารทหารเลยนั่นพระพุทธเจ้านะตรัสไว ก่อนจะรปรินิพานตัดไว้ก่อนจะปรินิพานถ้ายังปฏิบัติทมอยู่ยังทำความดีอยู่ยังไม่ประมาทอยู่โรคนี้ไม่ว่างจากพระราหันเพราะงการรักษาศีลก็มีนิสงอย่างนี้แหละสีเลดานิพุติยันติ สีให้ถึงความสงบเย็นใจก็คือพระนิพพานนั่นเองนิพุติงดับกิเลสกองทุกได้ดับความโลภ ค, ความโกรธความหลงได้ใจเย็นใจถึงพในในระพนิพพานหลาดบรรลุพระนิพพานด้วยถ้าคนมีศีล์ถ้าคนไห้มีศีน์ปฏิบัติยังไงมันก็ไม่บรรลุ ถ้ามีศีลแล้วปฏิบัติมันบรรลุเลยมันครบเด็ครบมักมีโอกแปดเครบมักมีโอกแปดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำดิชอบอ่า สัมมาวาจาเยิจาชอบสัมมากรมมตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติชอบและลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบ กิจเป็นสมาธิถ้าเป็นไปอย่างนี้เราก็ไปพระนี้ผ่านได้ถ้าทาตามสัมมาทิฏฐิเห็นอะไรเห็นความเกิดนี่แหละเป็นทุกข์เห็นทุกข์ว่ากันเถอะเห็นความเกิดเป็นทุกข์เห็นความแก่เป็นทุกข์ เห็นความเก็บเป็นทุกข์เห็นความตายเป็นทุกข์แล้วเราเห็นทุกข์เห็นทุกข์ที่เราต้องประสบอยู่ทุกข์นี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นได้เพราะมีตัณหาการมตัญหาความอยากในกาม พราว่าตัณหาความอยากมีอยากเป็นทีนพราะวะตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นนั่นนี่คือเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราต้องดับด้วยการปฏิบัติธรรมสรําราบกิจของเราให้บริสุทธิ์ ให้ผ่องใสให้เบิกบานให้รู้ทันรู้เท่าชำระจริตของเราให้บริสุทธิ์ให้ถึงความสุขความสงบให้ถึงความเย็นใจสบายใจเราต้องหัดเราต้องเห็นเราต้องรู้ เราสำลักออกไปสำรักกิเลสสามอย่างเนี่ยออกไปการมาตัญหาเพราะวะตัญหาวิภรา ะ, ะตัญหามันมีวิชาเป็นนายใหญ่ของมันต้องสำรักต้องสำรักสาสางให้หมดให้สิ้นอย่าให้เหลืออยู่ในใจเรา ต้องสำระต้องแก้ไขตรองปฏิบัติธรรมให้มันเกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาในใจของเราสัมมาสังกปะความนำดีชอบเป็นอย่างไรความนำดีก็คือความคิดนั่นแหละคิดนึกปุงแต่ง คิดออกจากกามทำไงถึงจะออกจากกามได้คิดไม่พยาบาทคิดไม่เบียดเบียนเนี่ยมันมีอยู่ในใจเรานะคิดมไม่เฉพาะไม่ออกจากกามก็ใจของเรานี่แหละคิดไม่เฉพพยาบาทก็ใจของเรานี่แหละคิดไม่เบียดเบียนก็ใจของเราอีก ใอ้พยายามทำให้มันเกิดมีขึ้นในตัวขององเรารักษาความคิดได้การักษาความดีได้มันต้องคิดก่อนมันึงทำไม่ใช่ไม่คิดแล้วทำมันต้องคิดไม่ดีก่อนมันึงทำบาปบ้างทำความชั่วเร็วสาปต่างๆบ้างต้องแก้ไขกันแก้ไขเขาใจของเรา ให้เห็นเป็นสมาทิทีิให้เห็นเป็นสมาสังกปะให้เห็นเป็นสมาวาจากิราจาชอบก็คือการพูดการเขียนของเราเนี่แหละให้มันชอบด้วยเหตุโดยผลให้ถูกต้องดีงามสัมมากรรมตะการงานชอบ การงานชอบก็คือการงานที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเราเองการงานนั้นเป็นการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบก็หาอยู่หากินให้ถูกทางอยากคดโลก โกงบ้านโกกเมืองอย่าคิดกดทรยศต่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราอย่าคิดนอย่าทำในทางสิ่งที่นำมาซึ่งโทษซึ่งทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่เราการงานชอบเนี่ยอาชีวะชอบ าวาย า, าวายามะเพียรพยายามชอบเพียรพยายามชอบก็คือเพียรรักษาความดีเพียรกําจัดความชั่วออกไปเพียรรักษาความดีไว้ตั้งใจอยู่ในสิ่งที่ดีงามสัมมาสติตั้งสติชอบก็คือในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาิ กายเวทนาจิตธรรมตั้งสติไว้ในกายอย่างเราก็หลดลมหายใจเข้าออกนี่ก็เป็นกายอย่างหนึ่งเราก็ตั้งสติไว้ในกายตั้งสติสติในเวทนาเวทนาก็คือความรับรู้อารมณ์ต่างๆ ทางเสียงทางกลิ่นทางหมุกทางลิ้นทางกายทางใจนี่แหละตั้งสติไว้ชอบสัมมาสมาธิตั้งสมาธิมันชอบคือปฏิบัติจนกิจสงบเป็นฌานที่หนึ่งสองสามสี่จิตให้กิตเราสงบ เราพยายามอยู่เดือนนี้เราก็ทําพยายามทําจิตให้สงบเลยก็ถูกแล้วพอมันถึงที่เขามาันมันก็จะเจิดจ้าขึ้นมาก็สามารถรู้อริยสัจสี่ได้ชัดเจนรัลยสัจสี่ได้ชัดเจนมันก็วางวางความยึดความถือได้หมดก็เหลือแต่ความรู้เหลือแต่ความรู้ มีแต่ความรู้เียวา่าจิตเข้าถึงความสงบเต็มที่เบื้องต้นเราก็บังคับอยู่คอยรู้อยู่ตลอดมันก็ไลไปตามอารมณ์ต่างๆแต่ในที่สุดมันก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้เป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปยาราสมาธิ เป็นอปนาสมาธิเป็นสมาธิแน่ๆก็เรียกว่าสมาธิจนสงบเต็มที่อันนี้แหละถ้าเราทําได้ทําถึงก็เรียกว่าเราดําเนินตามมรรคผลถ้าเราดําเนินชีวิตตามมรรคผลอยู่เราก็มีโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลแน่นอน เราก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราดำเนินชีวิตตามมากักแปดก็อย่างที่ว่าไว้โลกไม่ว่างจากพระละหันพระละหันเป็นได้เฉพาะผู้ชายหรือนักบวชเท่านั้นเลือมันไม่ใช่นักบวชก็ได้ ผู้หญิงผู้ชายปฏิบัติก็ได้พระเนนปฏิบัติได้ถึงได้มันกันหมดอย่างไนครับพุทธการก็มีสามเณรหลายองค์ที่ได้บรรลุเป็นพระลาหนาตั้งแต่อายุเกจขวบพระพุทธเจ้าก็บัญญัติให้ได้เป็นพระเถระถ้าเป็นพระลาหนแล้วนะไม่เป็นสามเณรอยู่ก็จริงแต่ก็ปฏิบัติให้บรรลุม้าโคดได้ ทำมากักทำผลให้เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นที่ไหนอะเกิดขึ้นที่ใจใจของเราเนี่แหละเป็นโซดาตกกระแสพะนิพ์านน่ยใจนั่นแหละเป็นสกิทาคาใจนั่นแหละเป็นอนาคาใจนั่นแหละเป็นอะระหัน รักษาใจได้ก็รักษาได้ทุกอย่างทุกทั้งหลายก็หมดสิ้นไปจากใจของเราเราไม่ต้องมากับเวียนเกิดเวียนแก่เก็บตายในวัฏสงสารนี่เราพอแล้วในการเกิดพอแล้วในการแก่พอแล้วในการเก็บพอแล้วในการตาย เราไม่ต้องมาแก่มาเก็บมาตายอีกเราถึงความสุขอันไพยบูรณ์ถึงความสุขอันเที่ยงแท้ถ้าปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าแล้วเราได้สุขได้ความสงบได้ความเย็นใจได้ความสบายใจได้พ้นทุก์ ใครอะไเป็นผู้ทําให้พคนเราเนี่ยทาเองเราเนี่ยทําให้เราเองคนอื่นทําแทนไม่ได้อย่างกิจสงบนี่ใครทําใครก็ได้ใครไม่ทําก็ไม่ได้จะสไปกิจสงบแทนกันไม่ได้ทานยังพอมีคนอื่นทำทำแทนได้บ้างแต่ศีลนี่รักษาเอง สมาธิมากคนที่ผ่านนี่ยิ่งเราทำของเราเองนั่งอยู่ด้วยกันเยอะนี่เป็นร้อยใครทำกินให้สงบได้ก็เป็นเรื่องของคนนั้นคนที่ทำไม่ได้ฟุ้งซ่านอยู่ก็ไม่ได้เหมือ น, นมันก็ฟุ้งซ่านตามเรื่องของมัน มเป็นอย่างนี้ใครทำได้คนนั้นก็ได้คนที่ไม่ทำมันก็ไม่ได้ต้องทำเอาต้องปฏิบัติเอาต้องสร้างสมเอาเองสะสมเอาเองปฏิบัติเอาเอง ก็ทำเอาอีกก็ทำเอาด้วยตนอเองมันสำคัญขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจเราเดินทางมาครึ่งทางแล้วต้องพยายาม ปฏิบัติให้มีคุณงามความดีให้มีในใจของเราให้ได้จะเหนื่อยบ้างลำบากบ้างโกรธโทษเราพอโลกมนุษย์จะให้เสมอเสมอกันไปเหมือนเทพเทวดาไม่ได้จะให้มีแต่สุขอย่างเดียวเหมือนเทพเทวดาไม่ได้มนุษย์มีทั้งทุกข์และสุขมีทั้งดีและไม่ดี เข้ากันไปตอนเช้าสบายตอนสายเก็บใครได้ป่วยตอนเย็นตายเลยมันไม่แน่นอนเมื่อเรารู้ว่ามันไม่แน่นอนเราก็ต้องทำความดีให้มากทำความดีให้เต็มที่ฐานก็ทำให้มันเต็มที่มันเป็นสมบัติของเรา แต่เราไม่ทําไว้มันก็ไม่ได้ศีลก็ปฏิบัติให้มันเต็มที่เอาชีวิตของเราเป็นเดิมพัน์สมาธิก็ต้องทําให้จนถึงมักถึงผลจนถึงความเต็มที่ของความสงบจนให้ได้มากผลขึ้นมาถ้ามีสมาธิเต็มที่แล้วพิจารณายยังไงมันก็ต้องวางมดมันยึดถือเอาไม่ได้หรอกมันวางมด เมื่อวางได้แล้วมันก็ละได้ละทุกทั้งปวงได้มันละได้บางคนก็นั่งสมาธิโอ้ปวดแข้งปวดขาเหมือนขามันจะหล่นออกนี่แหละเหมือนขากระปูเี็บมากทรมานมาก เขียจนจดหมายไปถามอัตมาอัตมาก็ไม่ตอบให้ให้สู้เองเก็บขาเพราะมันเป็นขาของเราพอเรายังยึดถืออยู่มันก็ต้องเก็บถ้าเก็บเป็นสมาธิแล้วมันไม่เก็บขาหรอกนั่งหรือนานไปไหนมันก็ไม่เก็บขา เก็บขาซ้ายก็เปลี่ยนเป็นขาขวาก็สลับกันเอาแต่ทําไงยังไงมันก็ไม่หายก็กําหนดรู้ไว้อย่างเดียวว่าเก็บน้ะเก็บน้ะเก็บน้อเก็บเกบเก็บเก็บนึกไว้ในใจโอ้ยเก็บเก็บเก็บเก็บออนึกไว้ในที่สุดจิตสงบแล้วก็หายไปเลยเก็บขาก็เลยหายไปเลย พูดง่ายๆการที่อธิบายมาให้ฟังทั้งหมดนี้คือให้รู้ว่าสภาวธรรมทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นมีความตั้งอยู่และมีความแตกสลายไปในที่สุดนี่ว่าวิธีรมกิจให้หนีจากกองทุกข์ได้ ให้พี่นาเข้าไปที่ตัวเราถ้ามีเราอยู่ทุกก็ยังมีอยู่ถ้าไม่มีเราแล้วทุกจะไปอยู่ที่ไหนจิตเราถึงพระนิพพานแล้วเราก็สบายทันทีทำใจให้มันสบายทำให้มันถึงทำให้มันรู้ ทำให้มันปล่อยวางได้เพราะตอนนี้เรามีครบทุกอย่างทานเราก็สละเพื่อพุทธศาสนาแล้วศีลเราก็ทำแล้วรักษาแล้วรักษาศีลแปดด้วยภาว น, นาปฏิบัติธรรมเราก็ทำแล้วเาถือว่าเป็นโอกาสดีที่สุดเป็นโชคลาภที่สุดของเราที่เกิดมาชาตินี้ ยังได้มีการปฏิบัติธรรมยังมีได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมมาบาเพ็ญคุณงามความดีให้กับตัวเองถือว่าเราโชคลาภที่สุดขอให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไป